ชีวิตส่งความเจ็บใจมาให้คุณฝึกเอาชนะทุกวันความรู้สึกเจ็บใจจะไม่เกิดขึ้นนานหากเล่นเกมใดแพ้และมีโอกาสแก้ตัวทันทีไม่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับความคิดว่าแพ้เหมือนตีปิงปองเอาเงือเล่นบอลเอาหาจบเกมหนึ่งเริ่มเกมใหม่ได้เรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น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 แถมผลงานไม่หายไปไหนอย่างไรก็ต้องเอามาคิดเฉลี่ยตอนเรียนจบเสียด้วยทำนองเดียวกับเกมการเงินเกมความรักและเกมใหญ่อื่นๆขาดทุนบางครั้งแค่ทำให้เสียดายแต่ขาดทุนบางคราวหมายถึงหมดตัวต้องเริ่มใหม่เลิกกับใครบางคนแค่ยิ้มไม่ออกไปสามวันแต่เลิกกับใครอีกคนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้ ถ้ามองใหม่ไม่เล็งอยู่ว่าคุณเล่นเป็นเกมเห็นให้ได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตคือเกมเป็นเกมชีวิตและเกมทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเกมใหญ่สุดที่คุณต้องเล่นเกมย่อยอยู่ทุกวันทั้งเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงินเกมความรักคุณจะเห็นความจริงประการหนึ่งคือแต่ละเกมย่อยที่เล่นจะทิ้งความเจ็บใจไว้เสมอแพ้หนักเจ็บใจมาก แพ้เบาเจ็บใจน้อยนี่หมายความว่าเมื่อใดระลึกถึงจิตเท่ากับเมื่อนั้นคุณระลึกถึงเกมใหญ่ของชีวิตเพราะจิตเหมือนสมระภูมิรบความเจ็บใจเหมือนศัตรูถ้าคุณตัดสินใจลงเล่นเกมนี้ก็เท่ากับคิดเล่นเกมเอาแพ้เอาชนะที่มีสาระที่สุดในชีวิตทั้งเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงิ น, เ ก, ก เ, งนเกมความรัก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 สังเกตว่าความเจ็บใจเกิดขึ้นเมื่อไหรสังเกตว่าคุณมีความสามารถในการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้แค่ไหนสังเกตว่ามันอยู่ในใจนานเพียงใดเท่ากับคุณมีอาวุธที่ดีที่สุดที่จะรบกับมันเพราะสติเห็นความไม่เที่ยงคือสิ่งเดียวที่จะถอนความเจ็บใจออกจากจิตได้ง่ายที่สุดได้ผลเร็วที่สุดได้ผลจริงที่สุด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 จะได้พุทธิปัญญาเป็นรางวัลขั้นสูงสุด